สุตตะวะว่านังการกำหนดพระสูตรข้อ5ในมงคลละสูตรนั้นคำเริ่มต้นว่าเอวะเมสุตังเป็นต้นอันพระอานนทิระผู้ถูกพระมหากระสปะเถระผู้เมื่อสังคยนาพระธรรมถามแล้วกล่าวแล้วแก่พระอรหันต์ห้าร้อยองค์ในคราวสังคยนาครั้งใหญ่ กล่าวแรกคาถาหนึ่งว่ามหูเดวามนุษยซาจะเป็นต้นเทวดากล่าวสิบเอ็ดพระคาถามีว่าอาเซวนาจบาลานังเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแม้คำลงท้ายว่าอิดามโวจะพระกวาอัตมนาซาเดวตาพะกวะโต พาสีตังอภินันตวาพระเกวันตังอภิวาดิตวาตัดเทวันตรายิพระอาณนทถระกล่าวประมวลคำนี้นั้นแม้ทั้งหมดเรียกว่ามงคลสูตรถ้าจะถามว่าคำเริ่มต้นและคำลงท้ายมีประโยชน์อย่างไรแก่ว่ามีประโยชน์เพื่อยังความงามสามประการแห่งพระสูตร ให้บริบูรณ์จริงอยู่แม้มงคลสูตรชื่อว่างามในเบื้องต้นเพราะคําเริ่มต้นชื่อว่างามในที่สุดเพราะคําลงท้ายชื่อว่างามในท่ า, ามกลางเพราะท่ามกลางแห่งคําเริ่มต้นและคําลงท้ายทั้งสองนั้นแลการกําหนดพระสูตรในมงคลสูตรนี้เพียงเท่านี้